หมายเหตุ hate, ผู้บันทึกเสียงขอเสริมความคิดเห็นของผู้อ่านไว้สักนิดนะครับเนื่องจากว่าทั้งพระไตรปิฎกฉบับประชาชนและบทความนี้ที่พระช น, นะอาพาธหนักแล้วฆ่าตัวตายแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระช น, นะไม่มีโทษนั้นเนื่องจากไม่ได้อธิบายรายละเอียดไว้เป็นห่วงมากนะครับว่าเดี๋ยวหลายคนฟังไปจะนึกว่าการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ดี การฆ่าตัวตายในขณะจิตบรรลุอรหันต์เป็นเรื่องต้องทำความเข้าใจควรศึกษาเพิ่มเติมจากอัตถกถานะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดและสับสนได้เพราะหลักการปกติคนฆ่าตัวตายต้องไปนรกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะขอแนะคร่าวๆให้พอเห็นภาพนะครับว่าจิตของคนฆ่าตัวตายทั่วไปจะมีความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นของตนตนกาลังมีความทุกข์ จึงอยากจะพ้นไปด้วยการทําลายชีวิตแต่จิตที่ยังยึดเหนี่ยวแน่นว่านี้กายเราหนี้ใจเราตัวเรากําลังทุกข์เราจะฆ่ากายนี้เพื่อให้เราไม่ทุกข์อย่างนี้อีกเพราะความยึดมั่นเหนี่ยวแน่นนั้นก็จะสร้างภพสร้างกายอื่นขึ้นมาในโลกอีกมิติหนึ่งนะครับคล้ายคนกําลังทุกข์ใจกลุ่มเครียดเรื่องอะไรก็ตามหรือเป็นคนขี้โกรธเห็นแก่ตัวเมื่อนอนหลับ ก็จะยังทุกข์ใจยังเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมสันดานนิสัยไม่ได้หายไปไหนการฆ่าตัวตายของคนยังมีกิเลสและยังเห็นกายใจนี้เป็นเราก็ไม่ต่างกับคนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมามีอีกโลกหนึ่งแล้วมองไม่เห็นร่างกายที่กำลังนอนหลับอยู่แต่มีชีวิตความรู้สึกในโลกแห่งฝันไปตามนิสัยและใจเดิมจนเมื่อตื่นถึงได้รู้ว่ า, มาเมื่อกี้ฝันไป ถ้าฝันร้ายก็ดีใจว่ารอดแล้วแต่ถ้าฝันดีก็รู้สึกเสียดายมากคนตายด้วยจิตที่ทุกข์ระยุดมันเป็นกายใจตนจะเกิดร่างกายใหม่ผุดขึ้นทันทีในอีกโลกเรียกว่าโอปาติกะโดยมากจะมองไม่เห็นศพตัวเองนะครับแต่ความทุกข์ใจนิสัยและทุกอย่างยังอยู่ครบอาจสร้างภาพสร้างภพสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทําร้ายตัวเอง ด้วยใจที่ทุกข์หรือด้วยข้อมูลที่สะสมไว้ที่จิตแล้วก็จะทุกข์ใจสาหัสหนักกว่าตอนมีชีวิตอยู่เหมือนฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นได้การฆ่าตัวตายในขณะที่ยังไม่หมดอายุไขนะครับก็ต้องทนทรมานกับฝันร้ายด้วยใจเป็นทุกข์สาหัสนั้นต่อไปจนกว่าจะได้ไปเกิดใหม่ขณะยังไม่ตายเรายังสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ด้วยความหิวปวดท้องเข้าห้องน้า การดูหนังฟังเพลงการกินการเดินเล่นหรือมีคนมาคุยด้วยจะมีเวลาที่ทุกข์ลดหรือไม่รับรู้ความทุกข์ได้ชั่วคราวนะครับแต่ถ้าตายขณะ จ, จิตเป็นทุกข์จะต้องทุกข์อย่างนั้นตลอดเวลาและยาวนานมากเหมือนปันร้ายแล้วไม่ยอมตื่นสักทีคิดดูนะครับว่าจะทรมานแค่ไหนนี่จึงเป็นเหตุให้คนทั่วโลก มักเห็นคนที่ฆ่าตัวตายกลายเป็นผีแล้วก็ทำการฆ่าตัวตายซ้ำๆเพราะใจที่ทุกข์จะปิดบังทุกอย่างหมดไม่รับรู้อะไรยกเว้นอยากจะตายอยากหายวับไปแต่แล้วพอฆ่าตัวตายจริงๆกลับไม่หายวับไปยังมีตัวตนปรากฏเสมือนจริงคล้ายความฝันนะครับที่เราคิดว่าไม่มีจริงแต่ในโลกแห่งความฝันทุกคนคงทราบดี ว่าเราก็ต่างรู้สึกเหมือนจริงมีสุขทุกข์สมจริงแค่ไหนผีที่ฆ่าตัวตายก็เช่นกันนะครับคนนอนหลับมองไม่เห็นร่างกายบนเตียงตัวเองอย่างไรคนฆ่าตัวตายก็มักมองไม่เห็นศพตัวเองฉันนั้นแล้วก็คิดว่าตัวเองยังไม่ตายจะรู้สึกทรมานแสนสาหัสจนสุดจะทนจึงพยายามฆ่าตัวตายซ้ำๆทำแล้วทำอีก ก็ไม่ตายสถทีและต้องทนสภาพสุดโหดแบบนั้นไปอีกนานจนกว่าจะหมดกรรมซึ่งยาวนานมากจนเกิดเป็นสำนวนห้าร้อยชาติที่แปลว่ายาวนานมากค่าตัวตายซ้ำๆในขณะเป็นผีไม่พอนะครับถ้ามีโอกาสได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกก็จะใจเปราะบางเจอทุกข์อะไรหน่อยก็ทนไม่ได้อยากฆ่าตัวตายอีกร่ำไป ถ้ารู้กันจริงนะครับว่าค่าตัวตายแล้วจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าหลายคนจะไม่กล้าทำและจะอดทนความทุกข์ในชาตินี้ซึ่งน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับทุกจากการเป็นผีที่ฆ่าตัวตายจะเร่งทำความดีชดเชยที่บรรเทาทุกข์ลดทุกข์ได้จริงกว่าทั้งในชาตินี้และชาติหน้าหากยังต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป การไม่เชื่อว่าพบชาติมีจริงการคิดว่าตายแล้วศูญสิ้นไปดับไปล้วนเป็นมิจฉาทิฐิที่ทำให้คนฆ่าตัวตายและตายไปอยู่ในทุกขติมีแต่ความทุกข์บางคนคิดว่าตัวไม่ติดในกายนี้แล้วจิตไม่ยึดติดแต่ความจริงไม่ใช่หรอกครับเพราะที่กำลังหนีทุกข์อยู่นะ่ะเป็นเพราะไม่อยากให้ใจนี้ทุกข์นั่นแสดงว่ายัางยึดติดอยู่มาก คนเราจะไม่มีทางมองเห็นกิเลสละเอียดได้เลยนะครับหากยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้ดีพอพระอาหารหันต์ท่านจะไม่มีความกลัวตายเพราะเห็นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของท่านคนที่ฆ่าตัวตายมักอ้างว่าไม่กลัวตายแต่ลองมีชีวิตอยู่ต่อและกกำจัดปัญหาหนักใจได้หมดมามีพร้อมทุกอย่างสวยสุขครบทุกด้านก่อนนะครับแล้วลองถามใจตัวเองสิว่า ยังอยากตายอีกไหมที่อยากตายอ่ะก็เพราะมันไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างกิเลสที่ต้องการต่างหากแต่สำหรับพระอรหันต์หรือท่านที่ปฏิบัติแล้วฆ่าตัวตายซึ่งเป็นกรณีพิเศษในพระไตรปิฎกนั้นท่านปราศจากความยึดถือพวกนี้นะครับจิตไม่ยึดถือในกายและใจนี้หลักธรรมะคือหลักความจริงของธรรมชาตินี้มีอยู่ว่าตายแล้วไปไหน อยู่ที่จิตสุดท้ายก่อนตายถ้าจิตผ่องใสก็จะไปสุขติเกิดในภพดีมีสุขถ้าจิตคุณเครียดทุกข์ใจไปทุกขติอย่างเดียวเกิดในสภาพไม่ดีมีทุกข์แต่ถ้าจิตปราศจากการยึดมั่นถือมั่นในกายใจละสังโยชน์ได้ก็บรุอริยสําเร็จเป็นขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอรหันต์ตามระดับที่ละได้ เรื่องพระฆ่าตัวตายและบรรลุอรหันต์ในขณะฆ่าตัวตายนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับจึงควรศึกษาให้ละเอียดจากพระไตรปิฎกโดยละเอียดอีกทีทุกอย่างสำคัญที่จิตและหลายเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ควรคิดเอาเยี่ยงอย่างจนกว่าจะปฏิบัติศึกษาได้แตกฉานพอจึงขอฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเรื่องโลกหลังความตายการฆ่าตัวตายมีผลอย่างไร การกลับชาติมาเกิดผีเทวดาเจ้าที่มีจริงไหมแนะนำให้ฟังเรื่องแววเสียงสวรรค์ของอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกนะครับท่านได้นำเรื่องพวกนี้มาอธิบายไว้ละเอียดสนุกได้สาระและไม่งมงายจนทำให้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมและธรรมะอื่นๆได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลองหลดมาฟังดูนะครับลองฟังให้จบทั้งสี่เล่ม อย่าเพิ่งด่วนเชื่อหรือด่วนปฏิเสธฟังแล้วดูภาพรวมและจะเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้ถ้าอธิบายให้ดีให้ตรงทางมีประโยชน์มากอย่างไรกับคนทั่วไปและผู้ศึกษาธรรมซึ่งบางคนที่ชอบธรรมะล้วนๆอาจจะไม่สนใจนะครับแต่ฝากไว้นิดหนึ่งว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาต้องการคำอธิบายที่เหมาะกับระดับสติปัญญาและจริตการฟังเรื่องพวกนี้ไว้ จะนำไปสอนแนะนําคนรอบข้างทุกเพศทุกไวัยได้ดีขึ้นนะครับอย่าคิดแค่จะเอาหลักธรรมะยากๆหลักธรรมะเพียวๆไปสอนคนเพราะทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นอาจารย์พรท่านสอนหลักปฏิจจสมุ ป, ปบาทผ่านเรื่องโลกหลังความตายได้แนบเนียนมากและท่านเอาหลักคําสอนธรรมะลึกซึง้งมาอธิบายเรื่องพวกนี้ได้ดีแม้คนที่มีปัญญาไม่มาก ฟังแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายและเป็นจุดเข้าใจธรรมะต่อไปได้จริงถามว่าถ้าไม่เชื่อว่าภพชาติมีจริงจะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมไปทำไมสุขแค่ชาตินี้แล้วหายวับไปหรอพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าถึงนิพพานเพื่ออะไรถ้าไม่ให้หนีการเวียนว่ายตายเกิดอริยสัจสี่จุดกำเนิดก็เพราะมีการเกิดใหม่ไม่รู้จบใช่ไหมครับ จะกําจัดการเกิดใหม่ในพบหน้าได้จึงถึงที่สุดทุกขได้จริงถ้าไม่สอนกันเลยหรือสอนไม่ถูกสอนไม่แตกฉานหรือสอนให้งมงายทุกอย่างก็เป็นไหายานณะที่ทําให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงศาสนาได้น้อยหรือผิดวิธีกันมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่นะครับคือที่เชื่อเรื่องพบชาติก็เชื่อแบบงมงายถวายชีวิต หลงพิธีกรรมบ้าบอไร้สาระจนหน้าตกใจกับอีกขั้วคือปฏิเสธสุดตรงข้าไม่เห็นมันต้องไม่มีข้าจับไม่ได้มันต้องไม่มีโดยไม่ยอมศึกษาปฏิบัติไม่เชื่ออย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องน่าห่วงน่าเห็นใจมากนะครับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วแต่กลับพลาดของดีไปเสียฟรีไปชาติหนึ่ง เหลือคนที่ศรัท ธ, ธาแบบถูกทางน้อยจนหน้าตกใจการเข้าใจเรื่องภพชาติซึ่งนำไปถึงการเข้าใจกฎแห่งกรรมจะทำให้เป็นพ่อแม่ที่ดีพอที่จะหาเรื่องมาสอนลูกได้จริงนะครับการสอนลูกที่ได้ผลต้องสอนตั้งแต่เด็กโดยสอดแทรกเรื่องไปในชีวิตประจำวันในข่าวที่เจอในสถานการณ์ที่เจอสอดแทรกไปทีละเล็กละน้อย กว่าลูกจะโตก็จะเข้าใจและเกิดศรัทธาเชื่อมันได้โดยง่ายแต่จะมีสักกี่คนล่ะครับที่จะสนใจสอนลูกในแง่ศิลธรรมกฎแห่งกรรมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กและที่สําคัญคือสอนกันได้ถูกต้องจริงแบบแตกฉานด้วยอย่าหวังเลยนะครับว่าการจับเด็กเข้าโครงการอบรมคุณธรรมปีละไม่กี่วันจะช่วยพัฒนาเด็กได้ ที่ผมเห็นและไปเจอมาทั่วประเทศนะครับกลับเป็นวิธีที่เกินวัยเกินจริตเกินปัญญาบารมีของเด็กแทบทั้งนั้นส่งผลเสียมากกว่าผลดีซึ่งคนได้ดีก็มีบ้างแต่น้อยมากถ้าเทียบกับคนจำนวนมากที่เจอมานะครับที่ทำให้พวกเขามองศาสนาและการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องน่าเบือ่องมงายและทรมานทั้งที่ทาให้ดีกว่านี้ก็ได้พระไตรปิฎกก็สอนแนะนาไว้ทุกอย่าง แต่แปลกใจมากนะครับว่าทำไมถึงยังทำเหมือนเดิมมาตลอดหลายปีโดยที่ใช้วิธีเดียวกันทั้งประเทศเหมือนคนป่วยหลายโรคแต่ให้กินยาเดียวกันหมดสิ่งเสียหายสำหรับเด็กและคนมาใหม่นะครับก็คือการบังคับอดนอนอดข้าวการฝึกบังคับจิตห้ามคิดโดยขาดกุศโลบายการสอนแน่แนวและหลายแบบให้เป็นทางเลือกซึ่งพระไตรปิฎกก็สอนไว้โดยละเอียด และหลากหลายมากเป็นตัวอย่างให้ระดับหนึ่งแล้วบางคนเนี่ยต้องเน้นเดินสมาธิมากกว่านั่งที่จะทําให้ง่วงและทรมานไม่เกิดสติการอดข้าวอดนอนมันเหมาะกับคนที่พร้อมแล้วเท่านั้นนะครับหากยังไม่เคยฝึกมาก่อนร่างกายจะรวนคลื่นสมองไม่สงบรับอะไรไม่ได้เกิดอกุศลลจิตทรมานกายใจ การให้กินนอนให้พอดีกับร่างกายจำเป็นมากสำหรับผู้มาใหม่และโดยเฉพาะเด็กที่ร่างกายต้องการอาหารและการพักผ่อนอยู่ดีๆจะมาอดข้าวอดนอนร่างกายมันก็ประท้วงอาจเกิดโรคภัยตามมาที่หลังได้นะครับเด็กแต่ละวัยคนไม่แข็งแรงคนป่วยจะมีการนอนการกินที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยต้องนอนเท่านี้ถึงจะพอเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่ความขี้เกียจนะครับ ยิ่งกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นไม่ควรบังคับทรมานกายแต่แรกควรค่อยๆให้ปรับให้ฝึกค่อยๆลดอาหารมื้อเย็นให้เป็นอาหารเบาก่อนในวันแรกๆค่อยๆลดนอนให้เต็มที่อย่างน้อยในสามวันแรกก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวเพราวันหลังถ้าทั้งวันปฏิบัติธรรมมาตลอดมันจะนอนมากไม่ได้ไปเองนะครับแต่ช่วงแรกร่างกายยังต้องการพักผ่อนมากๆ ยิ่งพักมากช่วงแรกร่างกายพร้อมยิ่งฝึกจิตหรือฟังบรรยายได้ดีกว่าค่อยๆปรับร่างกายเป็นทีละน้อยจนพร้อมจึงทาเต็มที่เหมือนคนที่ชํานาญแล้วนะครับและถ้ามีเวลาไม่กี่วันก็ควรเน้นประโยชน์ที่เกิดว่ากลุ่มผู้มาใหม่หรือเด็กก็ควรเริ่มต้นง่ายๆกินนอนพอดีกับร่างกายสมองปลอดโปร่งฟังธรรมะเข้าใจปฏิบัติได้ดี จิตแจ่มใสกับทั้งง่วงทั้งหิวคลื่นสมองไม่สงบจิตมีตโทสะโมหะอกุศลครอบงำคิดว่าแบบไหนจะฟังธรรมะรู้เรื่องปฏิบัติได้ดีจริงกว่าละครับพระพุทธองค์เองท่านก็ทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเช่นถ้าเจอคนเดินทางมาก็าต้องให้พักให้หายเหนื่อยหิวก็ให้กินให้อิ่ม คือให้ร่างกายเขาพร้อมก่อนจึงค่อยตรัสสอนเพราะไม่อย่างนั้นพูดไปก็เสียเปล่าเสียเวลาฟังไม่รู้เรื่องทุกเรื่องเนี่ยมีสอนไว้ในพระไตรปิฎกหมดแต่ก็แปลกใจนะครับว่าทำไมไม่เอามาปรับประยุกใช้กันให้เหมาะสมในวงกว้างได้จริงสักทีลองมองไปทั่วๆสิมองเด็กและวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะครับเราะจะเห็นแต่ความเสื่อมจิตสานึกที่ต่าลง มารยาทสามพูดคำหยาบเป็นเรื่องปกติความก้าวร้าวขาดสมาธิและอื่นๆอีกมากจนน่าตกใจแค่วินัยบนท้องถนนเนี่ยก็พอจะวัดได้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณภาพประชากรตอนนี้ต่ำลงจนน่าตกใจแค่ไหนยังไม่นับกับความงมงายสารพัดที่พิสูจน์ว่าพุทธแท้เนี่ยอาจมีแค่หยิบมือเท่านั้น กราบขออภัยครูบาอาจารย์ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วจะไม่พยายามแทรกเนื้อหาหรือความเห็นส่วนตัวเข้าไปถ้าไม่จําเป็นแต่เห็นว่ากรณีนี้น่าจะจําเป็นและไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเรื่องการฆ่าตัวตายนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมายืดยาวนี้ยังไงก็ฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต้องกราบขออภัยครูบาอาจารย์และท่านเจ้าของบทความ เวณาที่นี้ด้วย